เอวเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสุยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพปะโรโข